สวัสดีสําหรับคนที่ชอบฟังเรื่องผีหรือว่าชอบฟังเรื่องที่ลึกลับนะคะหาข้อพิสูจน์ไม่ได้หรือบางคนก็เชื่อว่ามีอยู่จริงบางคนก็ห้าสิบห้าสิบเชื่อครึง่งไม่เชื่อครึง่งไอ้ที่เชื่อเนี่ยก็พอได้ยินเขาเล่ามาบ่อยครั้งหรือว่าเป็นเรื่องที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กนะคะ ก็เลยทำให้พอเชื่อบ้างแต่ว่าสิ่งที่ยังไม่เชื่อนี่คือยังไม่ได้เห็นกับตานั่นเองวันนี้พระเจอผีค่ะจะขออนุญาตนำเอาเรื่องเกี่ยวกับผีนะคะในวัดป่ามาเล่าให้คุณนุ่นฟังฟังกันก็ต้องขอบพระคุณสำหรับเจ้าของกระทู้ในพันทิป .com ด้วยนะคะวันนี้ยืมในส่วนของ เรื่องราวนะคะมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเป็นประสบการณ์หลอนเกี่ยวกับเรื่องพระวัดป่าค่ะโดยเจ้าของกระทู้นะคะได้บอกว่าได้มีโอกาสเข้าไปช่วยงานในสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งตกช่วงบ่าย3ามพระที่ท่านอยู่ก็จะมารวมกันทํากิจนั่นก็คือกวาดตาดคุณผู้ฟังคะกวาดตาดในที่นี้ก็คือหมายถึงการใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวนะคะที่มีด้ามยาวๆไปกวาดลานวัดนั่นเองนะคะหลังจากนั้น พระท่านก็จะรวมตัวกันฉันน้ำปะนะพอดีช่วงนั้นมีพระบวชใหม่อยากฟังประสบการณ์หลอนจากพระรุ่นพี่มีพระอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งท่านก็เลยเล่าประสบการณ์ตอนไปนบำเพ็ญที่วัดป่าเขตจังหวัดกาลสินไม่ขอเอ่ยชื่อวัดนะคะเมื่อหลายปีก่อนค่ะ โดยเจ้าของกระทู้นะคะเคยติดตามพระอาจารย์ท่านดังกล่าวไปเที่ยวดูหนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ค้างคืนเพราะสภาพพื้นที่ไม่ค่อยที่จะอื้ออำนวยแล้วก็ไม่ค่อยน่าพิรมเท่าไหร่นะคะคือขนาดกลางวันนี่ยังวังเวงที่นี่ดูแล้วก็ภูมิศาสตร์เป็นป่ายางค่ะแล้วก็มีต้นตะเคียนขนาดใหญ่กว่า200ไร่ ตะเคียนมีหลายร้อยต้นค่ะแต่ละต้นสองคนโอบนะคะโดยมีหมู่บ้านล้อมรอบห่างออกไปเวลาบินทบาดต้องเดินลัดทุ่งนาไปหมู่บ้าน 3-4 กิโลเมตรโดยภายในวัดแห่งนี้ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ซึ่งต้องพึ่งเทียนกับไฟฉายเป็นหลักนะคะโดยตามปกติในภาคอีสานก็จะมีเขตป่าช้าสำหรับฝังศพใหม่ๆคือฝังไว้ก่อนแล้วค่อยเผาทีหลังหรือบางศพก็เก็บกันเป็นข้ามปีกันเลยทีเดียวแทบจะชุกชุมชนนะคะที่นี่ก็เช่นกันคือเป็นทั้งวัดเป็นทั้งป่าช้าและที่พิเศษยิ่งกว่า น, นั้นก็คือเป็นป่าช้าผีตายโหงด้วยค่ะ คือตามประวัตินะคะจากคนที่อยู่ในหมู่บ้านเขาบอกเล่าบอกว่าสมัยก่อนป่าครื้มแห่งนี้มีหมู่บ้านอยู่ภายหลังจากโรคหานิลงนะคะก็เลยทําให้คนในหมู่บ้านนี้คือตายยกหมู่บ้านเลยพระที่มาอยู่ก็ต้องรักความสงบแล้วก็ต้องบําเพ็ญก็คือการทําสมาธิหรือว่าปฏิปทาของกิจของสงฆ์นี่ต้องดีจริงๆนะคะถึงจะอยู่ได้แต่ว่า เจ้าของกระทูเขาก็เสริมีนิดนึ่งเขาบอกว่าต้องใจกล้าด้วยนะคะเพราะว่าทั่วทุกพื้นที่เนี่ยเวลากวาดทางเดินไปกุฏิจะพบเห็นกระดูกคนตายที่ถูกฝังไว้หลายสิบปีโผล่พื้นดินขึ้นมาบ่อยๆแล้วก็จะมีการนำศพมาฝังกันเป็นประจำคือญาติเขาจะไม่เผานะคะฝังมุมนู้นทีมุมนี้ทีโดยเฉพาะหลังกุฏิก็มีบ่อยเหมือนกันค่ะบางรายนะคะญาตินาศพมาฝังปุ๊บ จะไปถอยบ้านน็อกดาวมาไว้ข้างหลุมศพกันเลยทีเดียวแล้วก็นิมนพระให้เข้าอยู่ทันทีค่ะเพื่อจะให้มีอานิสงส์ส่งถึงผู้ตายพระอาจารย์ท่านเล่าต่อไปนะคะว่าพระที่นี่ไม่เยอะเพราะความลำบากของสถานที่บางครั้งท่านจเจ้าอาวาตก็คงจะเหลื อ, อก็เหลือท่านจเจ้าอาวาสแค่องเดียวในวันแรกที่ท่านเดินทางไปถึงก็เห็นสาราปูนยกพื้นขนาดใหญ่มาก แต่ไม่มีฝาด้านข้างเลยก็ปล่อยโล่งๆเป็นที่ฉันอาหารแล้วก็ที่ทำวัดด้วยส่วนกุติก็อยู่ห่างจากสาราลึกเข้าไปในป่ารอบด้านเข้าไปดูกุติหลังนึงที่อยู่ลึกเข้าไปในดงป่าเนี่ยเกิดชอบใจท่านจะเอาวาดก็เลยไปช่วยเช็ดกวาดถูก็เลยถามว่าจะอยู่จริงหรือเพราะตัวท่านเองบอกว่าผมเยังอยู่ไม่ได้เลยก็น่าจะเฮียนพอสมควรน่นะคะ ท่านจะเอาว่าให้คําแนะนําเบื้องต้นทันทีค่ะให้ศึกษาเส้นทางในนี้แล้วก็เวลาคุณกลับจากทําวัดเย็นก็จะน่าจะเสร็จราวสองทุ่มถ้าเดินกลับกุฏิมาเส้นทางนี้แล้วเจอนะเจออย่างว่านะคะก็ให้เดินอ้อมกลับไปอีกทางหนึ่งนะถ้าอาจารย์ว่าท่านอยู่บําเพ็ญที่นี่หลายเดือนหลังทําวัดแล้วเดินกลับกุฏิก็ไม่เคยจะเจออะไรมีแต่กลิ่นเน่าๆเหมือนศพตายนานๆลอยมาเตะ จ, จมูกทุกวันคือยําย่างก้าวจากสารา ม, มากุฏิจนกระทั่งวันหนึ่งนะคะ เป็นวันคืนค้าใหญ่หรือที่เขาเรียกว่าคืนวันเพนเดือนหงายนั่นเองคือท่านจุดเทียนเดินจงกรมใต้กุฏิแล้วก็ระหว่างทางที่เดินไปมาสักพักหนึ่งก็มีกลิ่นศพเน่าๆลอยมาเตะจมูกแต่วันนี้ทําไมมันเหม็นมากพอท่านเดินไปสุดหัวทางก็หันกลับมามองไปที่สุดทางเดินก็เห็นตัวอะไรก็ไม่รู้ยืนอยู่รูปร่างเป็นคนคือสูงเมตรกว่าๆแต่แขนนี่คือห้อยยาวถึงพื้นท่านก็เลยเพ่งมองแล้วก็พินิษสักพักนึงว่ามันคืออะไร ว่าต้นไม้ที่อยู่ตรงนั้นก็ไม่ใช่เพราะท่านได้ให้โยมมาพิจารณาดูด้วยกิ่งไม้ต้นไม้เล็กๆออกไปให้พ้นทางาคือพระเนี่ยท่านให้โยมมาพิจารณากิ่งไม้แล้วก็ต้นไม้เล็กๆออกไปให้พ้นทางเดินจงกรมตรงนั้นหลายวันแล้วนะคะก็คือให้โยมเนี่ยมาตัดต้นไม้แล้วก็เคลียร์พื้นที่เพื่อที่จะทำทางเดินจงกรมนั่นเองพอ ท่านพิน์พิจารณาดูสักพักนึงก็บอกโอ้สิ่งที่ปรากฏเนี่ยยกมือขึ้นพร้อมกับสายตัวโยกซ้ายทีขวาทีพร้อมกับกลิ่นเหม็นเน่าสุดๆท่านบอกว่าเห็นชัดแจ๋วเลยเพราะว่ามันเป็นคืนเดินไายพอท่านตั้งสติได้ก็เลยรีบเดินขึ้นบันไดกุฏิพร้อมกับพูดว่าเฮ้ยจะมาทําไมเดี๋ยวก่อนสิบําเพ็ญเสร็จแล้วค่อยแผ่เมตตาไปให้ให้ทุกวันยังไม่พออีกหรือไงไปกลับไปก่อนเลยและท่านก็รีบเข้าไปภายในกุฏิแล้วก็ล็อกกุฏิ นั่งดมกลิ่นเน่าไปสักพักกลิ่นก็หายเจ้าของกระทู้บอกว่าจบครับแต่ยังไม่จบท่านเล่าต่ออีกว่าที่วัดป่าแห่งนี้เนี่ยมักจะมีพระที่ชอบแบบนี้คือชอบเรื่องลึกลับหรือชอบมาบำเพ็ญเวียนกันมาประจำแต่มาอยู่แป๊บๆก็ไปคืออยู่ไม่นานไม่กี่วันเน่ยคือบางรูปมาอยู่มาการกดพักบนศาลาใหญ่นั่งบำเพ็ญเมกดตลอดต่อตอนดึกๆ ก, ก็มีเสียงผู้หญิงมานั่งร้องไห้หน้ากลดีด ก็มีพระรูปนั้นก็ได้ยินก็เปิดตรดส่องไฟฉายดูก็ไม่มีอะไรคว้าไฟฉายได้เปิดเดินหาเสียงร้องไห้ก็ยังคงดังแต่เป็นดังอยู่นอกศาลาแล้วพระท่านกลับเข้ามานั่งในกรดต่อผู้หญิงก็มานั่งอยู่หน้ากรดอีกด้านหนึ่งประมาณนี้นะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวค่ะที่นํามาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะเป็นเรื่องของเว็บไซต์พันทิปนะคะโดยผู้ที่ตั้งกระทู้นี้นะคะก็ชื่อว่า บุญนูบุญหนบุญหนะบุญนำใจอ่าขอบพระคุณด้วยนะคะสำหรับสมาชิพันธิย์ที่ชื่อว่าบุญนำใจนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของผีวัดป่าที่เอามาเล่าให้ฟังกันคะ่ะ